Music วันนี้หลวงพ่อก็มีโอกาสตาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดโสบรัณนี้และพวกเราก็มีการปฏิบัติปูชาอาชียวิชาสิบสองปีที่ผ่านมาด้วยหลวงพว่อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแม้น่าหลวงพ่อไม่เคยมาที่นี่เลยซึ่งมาเป็นครั้งแรกก็ยัง มีศรัทธาต่อทีน่นี่ได้ทราบข่าวได้รู้กันอยู่ก็หวังว่าเป็นปีพึ่งของชาวพุทธทั้งหลายได้าไมาเห็นแล้วก็ชื่นใจไม่จะยกย่องเป็นความจริงแต่ญาติโยนทุกคนก็สมุนแบบมายอบเอาคาสอนนิสัยปัจจัยต่างๆ ปอยู่ที่ญาติที่ยมแล้วถ้าจะว่าก็ศาสนาไปวันจุลงที่กายวาายจใจของญาติยมแล้วนั่งให้ดูเตือนให้ดูเกียมันญาติต่างๆข้อใช่แล้วข้อบอบุดใจดีเสียงหวงพเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วติ่งแข็งคอแห้งหูก็หนวกมันตายคืน อาจจะกเกิดได้จีวันก็ไม่รู้รู้สึกว่าเป็นหนี้ประเทศชาติมากเวลานี้เพราะหลังจากการเจ็บไข้เดรุ่ยเนี่ยต้องพวกเราทุกคนต้องสร้างสิ่งแวนลอ้อมมีกนแลมิดให้กับหลวงพ่อได้พอสมควรแต่พ่อจารย์ยังช่วยรักษาหลวงพ่อด้วยคนหมอที่ลงไว้บาลจุฬา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 เราไม่ต้องรงเลสงสัยหรอกโดยเฉพาะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ย่อเป็นสูตรมาตั้งแต่สมัยข้างพุทธเจ้าอยู่แล้วแม้วันนี้เราจะมีการปฏิบัติปุชาพระอาจารย์ก็าตามมันไปไกลกว่านั้นก็ปลายแถวมันถึงอาจารย์สุริยาพวจำมันถึงอาจารย์สุริยาเนี่ เขาก็มาเป็นทอดทอดมามายคหลวงพ่อเถียนจิตตสโพอาาย์สุยาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเถียนจิตตสโพเห็นภาพประดิษฐานอยู่ที่ตรงโน้นในครึ่งศตวรตรษมาแล้วห้าสิบกว่าปีถ้าเรานับไปก็ทูนถึงพระพุทธเจ้านนสองพันสามพันปีมาแล้วไม่ต้องสงสัย ทุกคนไม่ต้องสงสัยพี่สวดดูเป็นเช่นนั้นเองความรู้สึกตัวกับความหลงตัวเนี่ยสัมผัสดูเป็นอย่างไรมีคําถามไหมเวลาใดที่เรามีความรู้สึกตัวเวลาใดที่เรามี่อความหลงอะมันต่างกันไหมต้องถามอาจารย์จุลิยาหรือเช่นเรามือบางไว้บนเขาเนี่ย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 พอมามีสตินีเหมันกับมาเข้าอู่เขาอู่ซ้อมมีความรู้สึกตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ลบได้ลบแผลได้บาปก็ลบได้อกุศลละธรรมทั้งหลายลบได้เพราะความรู้สึกตัวนี้เป็นธรรมที่เหมือนกับผู้ดูแลเราเหมือนกับอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ก็ว่าได้เราจึงไม่มีคำถาม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 โเรายี่สิบสามสิบปีไม่เคยมาลู้เรื่องนี้เลยก็ตือนลือลน้นพอลู่โดยเฉพาะจ้างจนะังหวะาิบสี่จังหวะลู่หนึ่งลู้หึงลู้หึงมันเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บพอเหมือนเราเจ็บกันเจ็บของก็ได้มากขึ้นอย่างจริงลู้แต่ละครั้งการยกเบอร้างจังหวนะเนี่ย ประมาณวินาทีหนึ่งหรือชากว่านั้นไม่นานพีไหมง้อยเหมือนทำมนดื่ไปทํานาก็เสี่ยงทําไรก็เสี่ยงไปหาอะไรก็เสี่ยงแต่ว่าจารเจริญสตินี้ไม่ต้องเสี่ยงเลยเดี๋ยวนี้ของจริงต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นปัจจต่างอย่างนี้ไม่ต้องเสี่ยงรู้เดี๋ยวนี้เองแตรู้ทุกวินาที จังหวะหนวินาทีหรือชาว่านิดหน่อยชั่วโมงหนึงหกสวินาทีเออเท่าไหร่สามร้อหามร้อยหกวินาทีรู้ชั่วโมงหนึง่งอ้าว 3,000 ก็ม <c ười> ไม่รู้เอาคิดเอากี่ชั่วโมง1มันจะได้กี่รู้ลองดูนะที่สูดกันดูไม่ต้องมาเชื่อพวกเรา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 ยิ่งดีประสบการณ์กับความหลงเนี่ยมันดีอะไรก็ตามมันเป็นสากลความรู้เนี่ยคมรู้สึกตัวจะเป็นความทุกข์ก็รู้สึกตัวนี้จะเป็นความสุขก็รู้สึกตัวนี้จะเป็นความพอใจความไม่พอใจก็รู้สึกตัวนี้เป็นความรู้สึกตัวเฉลืยได้ทั้งหมดเลยเนี่ย เราเจะยังไงกันฮะไม่ต้องมาเชื่อหาเหตุหาผลอย่าหาคบตอบจากความคิดปฏิบัติเนี่ยหาความคิดเหตุผลมาตอบไม่ถูกตอ้องเป็นการสัมผัสเป็นการคิมเอวันทุกก็รู้เยวันสุข ก, ก็รู้มันรู้ก็รู้มันไม่รู้ก็รู้ที่เราว่ามีปัญหาปัญาต่างๆไม่ใช่เลย ถ้าเราเจริญสติจริงๆไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญญาด้วยปัญญาเกิดจากจิงเหล่านี้อธิบเร่าปัญญาเกิดจากกองสังขารสังขารทั้งหลายศนะีลรักษากายวาจาเรียบร้อยสมาธิตั้งใจบ้าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารคี้กายสังขารจิตตสังขารมันดีเยอะๆมากเลย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 อาจารย์ท่านเขาสอนสอนอยู่แล้วการสอนในรู้สอนง่ายไม่ถึงในรวบหาพิไรการสอนใน้เห็นนี่เนี่ยในกายของเราในใจของเราเนี่ยมันแสดงออกมาท่าไหนแบบใดเราเห็นมันเรียกว่าพบเห็นต่อหน้าต่อตากันเลยถ้าดูให้ชัดนะถ้ารู้สึกตัวกับความหลงน่ะมันต่างกันอ่ะมันไม่มีการอุกความหลง ถ้าเขารู้สึกตัวแล้วดีถ้ามันหลงลงไปมันจะหลงแบบไหนทางใดได้ทั้งนัความรู้สึกตัวเนี่ยเราเรียว่าศึกษากันมาเลินตาดูตอนในของเราคือสติสัมปชัญญะให้รู้สึกสร้างความรู้สึกขยันภาวนาคือขยันรู้ขย่ใช่ไปท่องบน กรรมฐานคือตั้งไว้มีการกระทำวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ลิขิตชีวิตของเราไม่ต้องประชิดหาคำตอบมันเป็นไปเองเราเห็นเองอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดนั้นเราตถาคตผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรผู้นั่นชื่อว่าเห็นปฏิเสธมุปบาท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 มันได้ดังใจไม่มีการไม่เ บ, บียเวลาตัวรู้จึกตัวเนี่ยไม่เป็นของคนหนุ่มไม่เป็นของโแจ่ไม่เป็นของพระของค า, า, ารวะไวเช่ญตินี่กายใดถ้าใช่เพศว้ไม่ใช่ศาสนารติอะไรชาติใดไม่เกี่ยวรลวงพ่อเคยไปสอนอยู่ที่เสรอร์นัทบรรยกาหลายชาติหลายภาษาอยู่ทนั้นใครก็ตาม ถ้ามีความรู้สึกตัวเป็นอันเดียวกันเป็นความรู้สึกตัวอันเดียวกันเอ้าฝลังก็รู้สึกตัวคนไทยก็าราาู้สึกตัวฝลังนับสือสารคิดหลวงพ่อก็นับเสือสารพูดเอ้าเป็นความรู้สึกตัวกันขัดเอ้ยของคิดอันหนึ่งของพูดอันหนึ่งความรู้สึกสตัวเป็นสากลเป็นของใครล่ะเป็นของทุกคนเคยไปถูกโขกข่มขู่อยู่ที่บดทั้นมหาวิทยาลัยบดทั้น หลวงพ่อก็ตั้งสอนธรรมะอยู่ในห้องมันหนาวผู้หลังเดินมาประตูไปเี่้าหลวงพว่อคนรู้อะไรมาครูบาสอนที่ทำไมขอสัมภาษณ์ได้ไหมหลวงพ่อก็บอกเข้าเข้ามาเขาก็เข้ามาเขาบ่าไปยืนอยู่สี่ห้าคนหลวงพ่อก็ขอมาเชี่คนรู้อะไรมาครูบสอนที่ทาไม <laughs> เหมือนกับเขาอิจฉาเราอะ อราก็สบายเราคนเดียวนะไม่ใช่มีหมูคนเดียวได้หมูไอเด็ก็อุ่นใจเราคนเดียวไม่ได้หล่งตัวเท่าเด้อก็บอกเขานั่งลงนั่งลงก่อนเขาก็นั่งนั่งมันนั่งขสมาธินั้นไม่เป็นเหมือนเราไปบังคับให้มันนั่งกัดสมาธิไปข่มหัวเขามันก็โอ้ยโอ้ยอ้ยขามันแข็งมันนั่งจากเก้าอี้ก็บอกว่าเรารู้จักตัวเองคนรู้จักตัวก็รู้อยจักไหน ขเาขาชะเขาบอกให้เขายกมือสั้งว่าเอามือวางไว้บนเขา่าเลยจ้ะเอาตะยังมาข้างหัวขึ้นลู้ไหมภาษาฝรั่งเอาแหวเอาแววสิบสี่ยังบอกสิบสี่ครั้งลู้สี่ครั้งภาษาไทยเราว่ารู้สึกตัวภาษาบ า, บาลีว่าสติความเลึกได้สามัญจะความมือตั ว, ตวภาษาความเราคือรู้สึกตัวเให้เขาทําอยู่สองลาบสามลอก เขาถามว่าคนเคยรู้อย่างนี้ไหมโนโนโนเอาคุณไปรู้อะไรละ่ะคุณเปนรู้อย่านี่ยคุณไปถึงลูกพระจันทร์แล้วคุณมันรู้สึกตัวเลยโนโนเจ็ดวันรู้สึกตัวสักทีไหมหนึ่งวันรู้สึกตัวไปโนเข้าวงหนึ่ no. ง 1, รู้สึกตัวไหมโน no. ตายแล้วคุณเ <laughs> นี่ยก็ได้เซียเขารู้สึกตัวนี้คุณไปรู้โลกพระจันทร์มาแล้วไปเที่ยวพระจันทร์มาแล้ว ศาสตราทั้งหลายเกิดอยู่ที่เอเชียไม่เกิดอยู่ที่ยุโรปอเมริกาเลยเพราะคนเอเชียก็รู้สึกตัวนี้ก็ขู่กันเลยถ้ามันมาขูเราเราก็ขู่ันก็ถามว่าคุณจะพิสูจน์ไหมเขามาเขาจะม้วนเราเช็กันเช็กันอ้าวเชกันอะไรเขาจับม้ น, จ, น, จ, น, จ, น, จ, มนจับทำไมเขาบอกว่าเขาได้คบกับบุคคลที่เขาคิดจากจะพบเมื่อคุณพบแล้วคุณจะทอย่างไง เขาถามว่าคนจะอยู่นี่กี่วันแล้วจุดนี้อาทิตย์ยอย่างจะทิ้ไปไหนนะพรงนี้จะพาพ่อเร า, า่าแล้วก็มาเป็นเพิ่อนเลยพาพ่อมาปัดๆจกเหมือมันก็พวกเราเพราะด้านความรู้สึกตัวนี้ไม่เป็นข้อไก่เลยเป็นสากลผู้สอนก็สบายผู้ทาก็สบายไม่ต้องหลอกกันได้หลอกกันมาได้ของจริงนะี่ถ้าเราเมาื่อวางบนเขานะี่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 หลวงพ่อเคยประสบการ์หลวงพ่อเถียนวันที่หลวงพ่อตายไปหายใจไม่ออกคนที่จะพูดบ้างเพราะมันเป็นของจริงสําหรับเราทุกคนหายใจไม่ได้ข้างนี้เนี่หายใจไม่เข้าเลยเขียนอีกสองก็ไม่ได้เขียนอีกสามข้างไม่ได้เพียนอีกสี่ข้างไม่ได้หมดแรงแล้วตามันกำลังจะเหลือขึ้น น้่บายผมปากกมาก็อ๋อเมื่อมันหายใจไม่ได้แล้วแล้วกเ็เอาทิ้งซะเอารูปนี่ยาทิ้งซะเอาขันห้าทิ้งไปซะเอ้าเราทิ้งเราจะอยู่ไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นไรอันที่ไม่เป็นอะไรมีอะไรมีสติแล้วเราอยู่เราเอาทิ้งมาอยู่กับความรู้ ก, กอยู่ต่อด้านก็เงียบไปเลยแล้วก็สมวันสี่วันก็เห็นหมอเขาเอา เขบว่าสอดใจปากกันเล อ, อแต่ไม่รู้จักว่าเราหายใจนะห้องไอซียูโรงพยาบาลจุฬาคุณหมอผัอที์เนี่ยมาเนี่ยเป็นผู้ช่วยดูแลหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลามีสตีแล้วหรืออยู่มีหรื อ, อยังพวกเราความทุกข์ก็เป็นของเราเหลืออะไรเป็นเราทั้งหมดเหลือเรายกมือชั่งกันาเป็นเราเหรือกาย โอยเราปวดเราเมื ộc, ơi, ่อยเราอะไรเบื่อเป็นเราเลยทุกข์ก็เราเหลอก็พระทีเจ้าเฉลยให้แล้วว่ากายสักว่ากายไอ้ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเวทนามันสุขมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยพระองค์ก็เฉลยไว้ให้แล้วว่าเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขา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 เราเครหัวเราจะดูเคหาพวกความคิดใช่หรือไม่อันนั่นหรือมันเป็นใหญ่ไม่ใช่เลยเราจึงมาฝึกตัวนี้ฝึกความรู้สึกตัวทําว่าจะว่าทำไม่ใช่จัดบุคคลตนเราเขาบางีเราไปติดความสงบติดความรู้ติดหย่อนติดสงบเจ็บความสบายก็อย่างนั้นหรือไม่ใช่เห็นมันที่เออมันจบ ก, ก็เห็นมันจบ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 ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยไม่แน่นช้าเลยทันทีมันหลงก็เห็นทันทีมันโศกมันทุกข์เห็นทันทีรู้สึกตัวรู้จึกตัวตัวรู้สึกตัวจริงจริงมันเป็นภาวะที่เห็นเราจะว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกมันไม่ใช่บ่นจากนี้มันเป็นการเห็นเห็นแจกด้วยมันโุกก็มันโศกสุขที่ต่างวาระกันไม่เหมือนกันแต่รู้สึกตัวเหมือนกันเลย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 นามว่ารูปนามวารูปเกิดจากอาจัตระอาจัตะคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลภรสจินเสียงสัมปัสอารมณ์นามรูปเกิดที่ทนั้นเป็นขันหน้าที่บูปทานเหมือนกันแต่นามว่ารูปนี่เราดับได้ตั้งแต่ปัจจุบัดับได้แล้วหยุดแล้วแต่รูปนามยังมีอยู่ทั้งในใช่ยอยู่ตั้งใช่มันอยู่ใช่มันสำเร็จประโยชน์ เห็นไปเห็นไปเห็นไปเห็นโลกธรรมนามธรรมเห็นโลกทุกนามทุกเห็นใจลักเห็นทุกขังในจางตาเห็นสามายลักษณะของชีวิตมนุษย์ทั้งโลกตกอยู่ในสามายจะเหมือนกันแต่เป็นใครก็เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนเราเห็นเรารู้ใครก็ารู้ความไม่เที่ยงเราเคยเป็นทุกประกอไม่เที่ยงเราเคยเป็นทุกประกอเป็นทุก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 เห็นจากมารยาทักดิก์เห็นแต่ลักเท่าเราไปกลัวเราไม่อยากรู้ผลที่สุดเราก็ปิดบังตัวเองถ้าไม่เห็นจริงๆนะเห็นกลัวไปเที่ยงโอ๊ยเกิดปัญญาอะไรที่มันไม่เที่ยงหายใจได้อยู่ทุกวันวันนี้หายใจไปไแล้วมันไปเที่ยงโอ้ยวันนี้มันไม่เที่ยงจริงๆเเอา้าเห็นจริงๆ หายใจไมได้ไปทุกไว้ลองดูสิมันทุกข์ไว้หายใจออกไปเข้าเลยเห็นความเป็นทุกข์เป็นทุกข์หรือไม่ใช่เป็นของจริงโอยเนี่ยเห็นความเป็นทุกข์นะมันจริงเอ้าหลงเลยไปทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนหลงพ่อความเขียนหรือหลองพ่อพ่อครูหรือเป็นอาจารย์ของคนหรือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใช่ ต, ตน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 ไปจางไหนไปจากความหลงไปไหนไปสู่ความรู้ความรู้ไปไกลความหลงมันอยู่ในวัตฏะในโลกเป็นลดของโลกความหลงนะถ้าความรู้มันออกจากโลกไปเห็นแล้วว่าเหนือโลกไปแล้วเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่าทายทั่วเราสว่างข้าจะทำ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 เปลี่ยนความทุกข์เป็นตัวลูกเปลี่ยนความอะไรเป็นตัวลูกท่านนี่ว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่กับเราทุกคนอยู่กับเราทุกคนเนี่ยมาแสดงสนอนอาจารย์โจริยาหลวงพ่อก็ถือว่าได้ที่พึ่งแล้วเห็นท่านยังหนุ่มดังแน่นหลวงพ่อก็หมดสภาพลงแล้ ว, ลวอยู่ที่วัดเขาโอทิ่งแล้วต่างคนมาจากวัด <c oughs> เขาไม่ใช่หลวงพ่อแล้ว อยู่อิสระมากเดือนนะี้ถ้าอยากสอนก็ไปนั่งสอนมีให้สอนตลอดเวลาเท่ากันนะเดือนแต่ว่าเวลานี้คณะที่ขวัญมากที่สุดคือพยาบาลมากที่สุดอยู่นี่ก็มีทีมพยาบาลมากที่สุดน่าชื่นใจเพราะอาชีพพยาบาลนี่กล้ ค, คิดกับตำลนะใกล้ ค, คิดกับพระสงฆ์มือเหมือนกัน ถ้าเพิ่มธรรมะเข้าไปจะได้เป็นรุธรรมดีกว่าพระสงฆ์อีกเพราะเห็นของจริงตลอดเวลาวันหนึ่งเราคบกับสิ่งที่ไม่ดีคนเจ็บคนป่วยอยากหลวงพ่อนี่โอ้ยพยาบาลเหมือนเทพธิดาหลวงพ่อเลยนายแพทย์แพทย์หญิงเหมือนเทพปูดหลวงพ่อเลยเพราะพวกนี้เอาชีวิตหลวงพ่อคืนมาคิดอยู่เสมอว่าหลวงพ่อเป็นลูกของยูลา ลงโกตรเลยทีเดียวจริงๆอ่ะไม่ใช่พูดความรู้สึกของเราจริงๆตอนนี้เพราะด้านน่ะพวกเรานเนี่ยสถาบันเนี่ยพยาบาลหมอเนี่ยวนที่จะเป็นผู้ที่สำคัญในการกอบกู้พุทธศาสนาเกิดตทุกคนเป็นคนใจเชื่อหมอเชื่อพยาบาลอาศัยเขาเพราะนั้นเนี่ยก็จึงถูกต้องแล้ว แต่ทุกคนด้วยไม่ใช่มไปไปใ ห, หมอกไป่อบาลนะพ่อหมอฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนยิ่งคราว่าผู้กองเรือนยิ่งจะเป็นต้องปฏิบัติทําตื่นแต่ดึกถึงแต่ตกอย่ารอให้เท่าให้แกถ้าเท่าแท้แก่แล้วมันทําอะไรไม่ได้หรอกขนาด น, นี้กําลังบรรลุธรรมเดชสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยถ้าแก่ไปแล้วมันไม่ได้หรอกรียบซะหน่อยเถอพวกเราเนี่อยู่นี่สมวัณณ์นเนี่ยสกลทัศนอี่สอนเหนือของเรา เป็นน้าอบูนใจเราพ่อเคยมาที่สมัยสิบกว่าสี่สิบกว่าปีมหาอาจารย์จะไหมปวดใหม่ใหม่ถ้ำขามก็เคยไปอยู่แถบนี้มาหมดพอาจารย์หลวงกรรมฐานดังมาหมดเลยหลังจากศึกษาหลวงพ่อเทียนแล้วพระก็ไปฐานทหลายเขาสนกันจะไกไปดูซิมหาโลกเออผ่านไปมาอยู่ 1, 2, คืนหนึ่งสองคืนผ่านไปผ่านไปผ่านไป ไปติดอยู่กับหลวงพ่อชาวัดสองข่าองไปอยู่ท้านหลายวันถ้ากลับไปอา้าวยึดหนึ่งหลวงพ่อเทียนหนึ่งขึ้นจต บ, บัตรแล้วหนึ่งเดียวเท่านั้นอาจารย์เขาจดท้ายไม่เสมาหาใครอีกเพราะนัเราเนี่ยอาจารย์สุยาเนี่ยมาอยู่ที่เป็นคนที่ ด, ด้วยเหลวงว่าเป็นคนใจพุ่มออกจกมั่งเลยเดียวกันมาอยู่ใจพุูมอาจารย์ยาก็ อ, อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนหรอก เขาจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้พวกเราเพราะอยู่ที่ไมเหยียบดินเลยก็ได้แต่เราไปออกเราะอยู่กับประชาชน